ขอความจเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่วงพระพุทธญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมากมันตะคือการทำการงานชอบในข้อที่สองคืออธินาทานการถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยการแห่งขโมยอธินาทานนั้น มันไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพในด้านสิทธิในด้านทรัพย์สินแล้วก็กระตุกระเทือนไปถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองในด้านต่างๆอย่างที่เรามีการประรบเรื่องการคอร์รัปชันในวงราชการเพราะถ้าหากว่าข้าราชการเราไม่คอร์รัปชัน บ้านเมืองเราจ ะ, จะเจริญยิ่งกว่านี้เป็นอันมากแม้แต่การก่อสร้างการสร้างถนนการสร้างพวกสาธาโนโภ ก, กทั้งหลายหรือการสร้างอาคารสถานที่ของราชการเนี่ยครคือถ้าเราไปมองเทียบเคียงหมายความมาออกแบบแผนแผงอย่างเดียวกันเลยให้ราชการสร้างกับให้เอกชนสร้างหรือให้วัดสร้าง มันจะมีความแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายในคุณภาพจะดูข้างนอกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายุการใช้งานแล้วก็จะพบว่ามันมีความแตกต่างกันอันนี้บางคำอ้า ง, างคราวเราก็ไม่ได้มองว่ารัฐฉุนเสียผลประโยชน์อะไรไปหรือไม่ ตัวเงินที่ใช้ไปมากแต่ว่าประโยชน์การใช้สอยมีน้อยเนี่ยก็เป็นอาการของอธินาฐานแต่ว่าแนวการอธิบายอธินาฐานนั้นบางครั้งทรงอธิบายในแนวลึกลงไปคือหมายความว่าพัฒนาจิตไปจนถึงสมาชีพคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ โดยเรียงไว้เป็นสี่ระดับของความประนีตที่เกิดขึ้นภายในจิตคือประการแรกคือไม่รักเองไม่ถือว่าสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้โดยตนเองประการที่สองเนี่ยพวกนี้ทำเองก็ผิดใช้คนอื่นทำก็ผิดเหมือนปานาติบาตนะก็ไม่ใช้ให้คนอื่นรักขโมย ไม่ส่งเสริมสนับสนุนโดยวิธีใดก็ตามแก่ผู้ชี้ขโมยโดยการยกย่องสรรเสริญบ้างโดยการชื่นชมบ้างโดยการแม้แต่การให้อภัยนะฮะถือคนพวกนี้ที่จริงให้อภัยไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาต้องสํา น, นักถึงสิ่งที่เขาทําลงไปว่าเป็นความผิดแล้วแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น พอจนถึงจุดหนึ่งคือไม่พอใจไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยไม่โปรงใสหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นอาจจะได้จะมีราคาข้างงวดอะไรมาก็ตามแต่ว่าไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่พอใจที่จะได้ที่จะมีสิ่งเหล่านั้นเพราะแนวของของอทินนาทานเนี่ย่ันเรียงเป็นเขาเรียกว่าอ า, าหาร คือจัดเป็นอธินาฐานด้วยกันท่านแบ่งไว้เป็นเป็นห้าประเภทประเภทแรกเรียกว่าเทยาวาหารคือนําไปด้วยการลักขโมยตรงๆเลยลักขโมยกันรตรงๆหมายความว่าเจ้าของก็เผลอเจ้าของก็วางทิ้งเอาไว้หรือเจ้าของก็านอนหลับอะไรนี่เราก็ไปลักขโมยเอา อันนี้มีความชัดเจนนะฮะเราจะเห็นว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของเรารู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของตั้งจิตทิดจะรักทำความพยายามที่จะรักแล้วก็ได้ของนั่นมาด้วยความพยายามนั้นมันเข้าประกอบองค์ประกอบของอธินาทานเต็มยอ่อเต็มรูปผสียขาดแต่ว่าแนวตรงนี้เราจะพบว่ามันก็กลายเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปให้มีความประณีตยกตัวอย่างในกรณีของทยาวะหานเนี่ย คือการนำไปโดยการขโมยชาวบ้านกับพระไม่เหมือนกันนะชาวบ้านเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยพอกันแต่ว่าของพระไม่ถึงขนาดนั้นสมมติว่าเราไปเห็นทรัพย์เจ้าของระวงแหนแล้วตั้งจิตคิดจะลักก็นา่าจะต้องเนี่ยฮะปราบอาบัติแล้ว ถือว่าผิดแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจับต้องไม่ถือว่าเป็นะสมมุติว่าเจ้าของเขาเขาพะเห็นเนี่ยมันก็จะถือว่าขาโมยยังไม่ได้หรือว่าจับดูด้วยความชื่นชมต้องการสัมผัส ด, ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าพระนั้นไม่ได้ช่วงแรกเนี่ยจะจับต้องเนี่ยปราบอาบัติทุกคน ทุกด ก, ก็คือทําไม่ดีนะฮะเป็นการทําไม่ดีเสียกริยาเสียมันญาติแล้วก็ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของความเป็นนักบวชให้ของนั้นไหวข ย, ข, ยขยับกะเยียดหน่อยไว้นะฮะปรัปร ะ, ประบาดทุนจ่ายไปว่าโทษล่ําหรือโทษอ้วนหรือโทษนหนักขึ้นถ้าของนั้นเคลื่อนจากที่วางยังไม่ได้เอาไปนะฮะมันเคลื่อนไปจากที่วางกันเอง ถ้ามาพระนี้เขาปรับปราริกเนี่ยเพราะในแนวเถอยยวอาหารมันจึงกลายเป็นเรื่องที่คอดข้างใหญ่แต่ชาวบ้านเนี่ยต้องเอาไปต้องเอาไปก่อนแล้วเจ้าของเขาต้องสละิทธิ์ด้วยมันก็มีเงื่อนไขเขาตะยังติดตามมาจนได้มาเนี่ยก็ชื่อว่ายัง ยังไม่ครบนะฮะเพราะว่าต้องได้ของนั่นมาเมื่อต้องคืนเจ้าของเข้าไปเนี่ยองค์ประกอบของอัจฉริยท า, านมันก็ลดลงแต่ว่าที่คุกเหมือนเดิมมนะฮะก็ติดคุกเหมือนเดิมเพรา ะ, ะนนสนมันก็มีหยาบมีกลางของเขาสินชาวบ้านเนี่ยยังถือว่าเป็นอย่างหยาบอยู่แต่ว่าศีลข้อเนี้ข้อเดียวกันเนี่ยพอไปอยู่ที่พระมันต้องประนีตขึ้น อีกแนวหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าไปใส่หาวะหานคือคู่คุกคามกันโชกอ ะ, อะไรต่างๆใช้อำนาจอิธิพนเพียกร้องต้องการได้ต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการข้าคุ้มครองเท่า น, นั้นเท่า น, นี้อย่างที่มีเกลื่อนอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยพวกคิวรถพวกอะไรตัอะไรเราจะเห็นว่าแม่แต่แม่แม่แม่ค้าตมร้านตลาดปังแหงนังข่าวคราวสมัยหนึ่งที่ กทมก็ปรับปรุงเรื่องเศษกิจเรื่องแม่ค้าถูกขุดรีดเนี่ยแลมีข่าวก็ลยยิบในฝั่งบ่อยๆลักษณะอย่างนั้นบางทีคนเนี่ยมันก็จำนุนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มารดูแลตลอดเวลาชีวิตเขาก็ต้องเสี่ยงกับคนผ่านเหล่านั้นแล้วมันก็แปลกนะคือไม่ทุกคนต้แข่งแม้ในวัดในวาต่างๆ เราจำว่าคนเข้าวัดเนี่ยบางทีก็มีใครมาไปเรียกร้องค่าจอดรถค่าอะไรต่ออะไรวัดไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่วัดก็ไม่ได้จัดการอะไรเด็กขาดต้องไปปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่คาแผ่นดินคือคนบางครั้งบางคราวขอกันกินเล็ก ๆ, ๆน้อยมันไม่แปลกแต่ถ้าทำโดยการกันโชคทรัพย์เนี่ยมันรู้สึกเสียศักดิ์ศรีแบบ เงินมันไม่มากหอกแต่ว่ามันก็เสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนปล่อยคนอื่นกระโชกการโชคเอาแล้วเราก็ต้องยอมจ่ายให้เขาแต่พวกนี้ยอมมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันก็ขยเรื่อนไปเรื่อ ย, เ, อยเพิ่มไปเรื่อยในถึงถึงจุดหนึ่งก็อับจุดมีการไ ล, ล่ล่ามีการติดตามกันอย่างเราได้ข่าวเด็กที่ ก็โดดตึกอะไรตไรบางบางรายนะะบางการณีเนี่ยก็มีนักนักศึกษาเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการปลักเล่นพนันบอนเล่นพนันอะไรตไรกันแล้วก็ในที่สุดเขาก็คุม ข, ขู่จะเอาอั น, นี่ไม่มีให้เรื่อบายังไงก็ตามนะในที่สุดมันก็ออกมาในรดอย่างกัน แต่ตาขนาดนั้นมันก็เราก็วิ่งเข้าไปหาปัญหาเองแนวนี้คือปัญหาวิ่งมาเรานะพูดแนวของปัญหาที่วิ่งมาเราหมายความว่าเราทํามา่กินในความซื่อสัตย์สุจริตนี่ต่ถูกอำนาจอิทธิพลมืดเข้าคุกคามกดขี่ข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองถ้าไม่ได้จะเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นคนเลประเภทนี้ไม่หายไปจากโลกมันมีอยู่เยอะเลอก แล้วทางบ้านเมืองเองก็คุ้มครองอะไรไม่ได้เรทําให้เห็นดึงไอ้มาตรการบางติบางจานเมื่อก่อนไปประเทศจีนอย่างนึกอยู่เนี่ยตอนสองการานต์เนี่ยไปประเทศจีนปเทจีนขนาดปกครองด้วยระบบเฉียบขาดขนาดนั้นนะยิงป้าวกันทียงเป็นสิบๆแล้วถ่ายทอดออกโทรทัศน์ด้วยแต่โจนก็เยอะจังมา ก, กัน ขนาดแท็กซี่ที่จะนั่งเนี่ยต้องกั้นระหว่างคนขับกับแท็กซี่นะครับกั้นทางด้านหลังและกั้นทางด้านข้างนหน้าอึดอัดมือก็ติดคุกเลยข้าไปนั่งแท็กซี่เนี่ยแล้วเราดูว่าประเทศอังกฤษเองก็มีลักษณะอย่างนี้นแต่ประเทศอังกฤษกั้นข้างหลังเก้าอี้ที่ตรงข้ามคนขับ ไม่มีหมายความว่าเอาคนมานั่งตรงนั้นไม่ได้นันก็แสดงให้เห็นว่าในแนวตรงนี้ยมันมันก็กั้มกึ่งระหว่างที่ลกขโมหยหรือว่าค่มขูม่กิริยาเหล่านี้แสดงไว้ในพระบาลีวินัยบิดกเลยนะรว่าแสดงว่ามันก็มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นความโลภหลงที่จะแล้วก็พวกเหล่านี้ถ้าหากว่าขัดขวางเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงส่วนมากแล้วก็เป็นคนมากๆกันนะฮะก็กลุ่มกันมากๆพวกแก๊งทั้งหลายเนี่ยแล้วคนก็มักจะยอมสยบคือย้อนด่ว น, วนไม่ต้องการจะให้มีปัญหาเพราะว่าการมีสัตว์ซูมากเนี่ยอยู่ยากนะ ของชีวิตได้ยากแต่ถ้ายอมสยบมันก็อยู่ยากเหมือนกันเน่ะเพราะคนก็จังอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีก็ความเป็นคนดูปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการป้องกันมีการขาจัดมีการแก้ไขได้ได้ประการทาไปประการต่อไปเนี่ยเาเรียกว่าปริกับปาวหารไอ้นี่พวกเล่นสัมบัติสำมนนนะฮะมัน นาไปด้วยทำในใจว่าถ้าก็าเห็นก็ทำว่าหยิบดูถ้าก็าไม่เห็นก็เอาเลยแบบหมาเหาะไก่เพราะอะไรเพราะว่าไม่มั่นใจนะฮะไม่มั่นใจว่าเจ้าของก็จะเห็นหรือไม่เห็นมองซ้ายมองขวาเจ้าของอาจจะโผล่มาก็จนแต้มขึ้นมาก็บอกว่าก็น่าดูนะสวยนะ ขอชมหน่อยอะไรแต่ละก็ไปเขาเรียกว่าปริกถาก็ไปเรื่อยๆนะไปพูดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าปฏิจฉันนาวหานพู้นี้มันไม่ถึงกับไปรักขโมยทีเดียวแต่เอาไปซ่อนไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ก่อนเอาไปพักไว้ก่อนในที่ใดที่หนึ่งเดนสมมุติว่าของเราก็เห็นของเราวางอยู่เนี่ยเอาไปซ่อน พระนี้ปรับประบาดแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยเขาอาจจะแก้ต่างได้นะฮะถ้าเป็นคารวาสนี่ยเขาอาจจะแก้ต่างได้บอกว่าเห็นของมาวางอยู่ไม่รู้ว่าของใครก็เลยก็ไปซ่อนเอาไว้นะเพื่อจะไปบอกเจ้าหน้าที่มาให้เราทราบเอาไวไ้อะไรแต่อะไรเขาาแก้ต่างได้เพราะเขายังไม่เอาไปนะฮะกย่าลืมมาเขายังไม่เอาไป ยังไม่ได้ของนั้นมาด้วยความเพียรพยายามนั้นแต่เอาไปซ่อนไว้แล้วเขาก็มีวิธีการที่จะอ้างเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการเป็นขโมยได้แต่ท้านเงถือว่าเป็นขโมยนะยังถือว่าเป็นขโมยยังถือว่าเป็นการผิดศีลดูประการต่อไปนั้นนี่นอีกวิธีหนึ่งท่านเรียกกุศาวหารกุศาวหารเนี่ยเป็นเป็นลักษณะ เช่นสมมติว่าการจับจับฉลากจับอะไรต่ออะไรแล้วก็เราได้ของที่ราคามันน้อยกว่าแล้วก็ไปสับไปซับฉลากของบุคคลอื่นถ้าเราสังเกตว่าการการจับฉลากเนี่ยมันก็มีของที่ติดไว้เช่นเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ติดไว้แล้วก็มีเบอร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้ามาจับกัน การสรับสลากนั้นอาจจะสับตัวสลากที่เขาได้ไปตัวนั้นก็สับยากหน่อยเพราะเจ้าของก็รู้แล้วว่าสลากเขาเป็นอะไรแต่เราไปเปลี่ยนที่ตัวเลขไปเโนวของเราสมมุติเราเบอร์สิบของราคามันถูกแต่เบอร์สิบเอ็ดของมันดีเราก็ไปสับทีนี้ของนี่มันอยู่ในคออะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ มันทีมันก็เสี่ยงเหมือนกันไอ้สิ่งที่เราไปซับเอามานั้นอาจจะเป็นของดีแล้วก็สิ่งที่เราสรับมาอาจจะเป็นของชั่วก็ได้นะะเป็นเป็นเป็นของราคาถูกก็ได้แต่ว่ามนุษย์นี่ยโลภหลงเราลองนึกดูว่าของขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรหนักหนาหรอกทําไมจะต้องลงทุนทําชั่วขนาดนั้นเพื่อได้มาเพื่อถือครองเพื่อครอบครองสิ่งต่งต่างๆบางเรื่องบางราวเราลองลอง ลองสังเกตนะเช่นนานมาแล้วคือไปที่ไปชังเข้าวเนะขาหนีบลไปในบ้านพนัก ง, งานของการบินไทยแล้วก็ไปดูเครื่องใช้มันมาจากการบินไทยเท่งนั้นถามว่านี่เอามาได้ไงก็บอกว่าก็เอามาก็เป็นเท่าหน้าที่ก็เอามาวันละยนอย่างต่ออย่างบอกเอ็นี่ไม่เป็นขโมยนะอันนี้คือคือ คือเราคล้ยๆกับไปหยิบฉวยมาแต่มันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเราเป็นพนัก ง, งานของบริษัทเนยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสิ่งเ่านั้นมาเพราะแนวธินาทานบางทีมันเป็นแนวที่ค่อนข้างจะกล้ากขึงคือก็โมเมเอาโมเมเอาว่าตัวเองทําได้ว่าจริงๆริงในสิทธิที่ตรงนี้ทําได้หรือไม่สิทธิตรงเนี้เราทําได้หรือไม่ ก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่แนวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเงินทองของบุคคลนึ่นก็ในแง่ของศีนมาก็ผิดศีนในแง่กฎหมายก็ผิดกฎหมายในแง่ของธรรมะเนี่ยเป็นอาการของความโลภแบบโง่ๆคือโลภโลภมากเกินไปเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นที่จริงที่เจ้าของก็ครอบครองอยู่เขาก็ มือมีเท้าก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเมื่อเขามีสองมือสองเท้าหนึ่งหัวเหมือนกันเราก็สองมือสองเท้าหนึ่งหัวเหมือนกันก็ทำมาหากินได้ทําไมเราทําหากินเอาไม่ได้เพราะการลักกโมยเนี่ยที่จริงมันเป็นการทําลายศักดิ์ศรีของความความเป็นมนุษย์ของตัวเองที่เคยติงพระราชไ อ, อรัฐรบัณฑุฉภาพปัจจุบันมาตราที่สี่นะ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพย่อบด้รับการคุ้มครองคือมันนึกไม่ออกนะฮะว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยคนอื่นเขาคุ้มครองเราได้ยังไงคือเราต้องคุ้มครองเราเองเช่นสมมติว่าเราไปฆ่าคนตายเรากลายเป็นฆาตกรเนี่ยใครมาทําลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จนเป็นฆาตกรนะก็เราก็ไปลักขโมยไปไปฆ่าเขาอะ ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ไม่มีใครไปกล่าวหาว่าเราเป็นฆาตกรเพราะงั้นไอ้การกระทําการฆ่าคนอื่นมันเกิดขึ้นมาก่อนความเป็นฆาตกรมาเกิดมาจากการกระทําของเราหรือการลักขโมยมันก็มีทัศนะอย่างนั้นมันทําลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์พอเราลักขโมยเราก็กลายเป็นขโมยเพราะมีของที่เราขโมยแล้วก็มีการขโมย แล้วของนั้นก็ไปอยู่ในครอบครองของเราถูกตำรวจจับได้ลายทันแล้วก็เสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นขโมยถึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช้เหตุผลในแง่ของาศาสนาเป็นเหตุผลในแง่ของสังคม ซึ่งซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งบางครั้งการแก้ปัญหาแนวสังคมเนี่ยมันแก้ได้ระยะหนึ่งแต่ว่ามันสะสมปัญหาเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาที่ท่านเล่านะว่ามีพวกผิวขาวไปก่มขืนพวกมิโครแล้วก็เป็นเด็กด้วยแล้วก็ไปทำผู้ยิบผูยำเนี่ยเกือบเป็นเกือบตายนะฮะ มันมีตัวอย่างบมื่อวันก่อนเนี่ยนีโกรธทำอย่างเนี้ยไม่ใช่ฝรั่งทำอย่างเนี้ยศาลตัดสินยกคณะลูกขุนเนี่ยตัดสินยกพ่อก็เคยเป็นผู้พากษาใจเองเลยก็ตัดสินเธอแล้วก็ต่อสู้กันแล้วจบลงด้วยวิธีการดีฉลาดอ่ยแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ฆ่าเนี่ย ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเรามองดูการกระทําแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าคิดจริงแต่ว่าอทั้งสองฝ่ายนนเนี่ยจริงๆมันในแง่สินธรรมแล้วก็ผิดด้วยกันเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นกระทุษย์ไรในทางเพศสองคนเนี่ยกระทุษย์ไรในทางเพศคนหนึ่งก็ไปทํำลายชีวิตหมายความคนหนึ่งก็ไปสีนข้อที่หนึ่งคนหนึ่งก็ไปสินข้อที่สามแต่ว่า พอในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสังคมของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความความไม่ผิดใกล้ๆกับที่รัฐมอนาราเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยการฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวการฆ่าคนเพราะความจําเป็นอะไรก็ตามนะฮะมีเยอะที่เขายกเว้นแล้วก็ปืนเตือนเยอะแยะไปหมดเลยนั้นแสดงว่าในสังคมเนี่ย ยังไม่ยอมรับเป็นการสากลแต่ว่าแนวศีลมันผิดละเพราะของขยื่นไปอยู่ในครอบครองเขาเนี่ยก็ผิดแล้วแต่อย่างที่บอกว่าพระเราในขนาดไปทําให้ไหวนนี่ก็ผิดแล้วรัตนฐานทางธรรมะนี่มันจะสูงกว่าทีนี้ถ้าเราปฏิบัติพัฒนาธรรมะไปจนจถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรียกว่า เคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินของบุคคลอื่นคือเคารพอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าให้ดีแล้วเขเคารพสิทธิในชีวิตเขาพลังทางจิตก็จะเข้มแข็งมันจะก่อให้เกิดการเคารพสิทธิในทรัพย์สินเขาเคารพสิทธิในครอบครัวเขาเคารพสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของเขามื่ก็เดินะแต่ว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันมีความรุนแรง มันโหดร้ายมีการเบียดเปลี่ยนการมีการประทุสร้ายกันไม่เคยคำหนึ่งถึงใจคอคนอื่นเก็มุ่งแต่จะแสดงพลังอำนาจตอบสนองความต้องการของตัวเองปัญหาเหล่านี้ที่จริงเป็นปนัญหาโลกกฎหลงทั้งหมดแล้วก็เคยตั้งข้อสังเกตเามาชอบชอบมองที่สีห้านะ คืออย่า้ก็สีห้าในจริงมันหมดแล้วแต่ว่าของเราที่เด่นในพระบาลีเนี่ยกุศลก็บทสิบนี่เขาจะเด่นเดี๋ยวเรากดเด่นก็เจ็ดข้อแรกมันก็เป็นสีเนี่ยนะเดี๋ยข้อแรกก็เป็นสีสีแล้วก็คือศีสีข้อคือกรรมกิเลสสี่นั่นเองเวลาเรียกเต็มยศเนี่ยจ น, นเรียกว่ามนุษยธรรม คือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์ผลสินบางทีจึงแปลว่าปกติก็แสดงว่าปกติภาพปกติสุขเนี่ยคนจะต้องไม่ประทุสร้ายในด้านทรัพย์สินของกันและกันไม่ว่าจะเป็นการนําไปด้วยความโดยโดยขโมยหรือว่านําไปด้วยการค่มคูหรือว่านําไปด้วยการเสี่ยงนะฮะว่าถ้าเขาเขาเห็นก็บอกว่าหยิบตูถ้าเขาไม่เห็นก็เอาไปเลย หรือว่าด้วยการปกปิดการลักซ่อนแม้แต่พวกหนีภาษีอะไ ร, ต, รต่างๆซึ่งจะมีรายละเอียดในโอกาสต่อไปมันก็อยู่ในประเภทนี้ตลอดถึงการจับสลากเมื่อตนได้ของไม่ดีแล้วก็ไปซับสลากเอาของคนอื่นเอาของดีของเขามาเนี่ยท า, ทางที่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องการจับสลากแต่ความโลภมนุษย์มันก็ ก็คุมจิตใจตัวเองไม่ได้ประกอมจะสร้างปัญหาให้ได้เสมอทั้งฝั่งทั้งหลายแต่หลวงพพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟั่งทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี